่อนวางหากความว่างปรากฏขึ้นอย่างเฉียบพลันเราอาจสงสัยว่าเกิดเรื่องผิดปกติและอาจค้นหาสิ่งที่คิดว่าเป็นปกติทั้งที่จริงแล้วความว่างไม่เคยผิดปกติความผิดปกติอยู่ที่ใจเราไม่เคยยอมว่างเอาเสียเลยต่างหาก ควาว่างจากความทยานอยากหากหมดความสงสัยไม่เหลือความดิ้นรนอันใดอื่นความว่างกับความรู้สึกแสนสบายจะปรากฏพร้อมกันนับจากนั้นเราจะไม่เหลียวหาความรกรุงรังอีกเลยความว่างไม่ได้มีความผิดกับทั้งไม่ได้มีความถูกบรรจุอยู่ ความว่างไม่ได้เป็นที่ตั้งของความทยานอยากกับทั้งไม่ได้เป็นที่เกิดของความสงสัยใจที่ไม่กลมกลืนเป็นอันเดียวกับความว่างต่างหากที่มีการตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกและเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นใจเราไม่เคยต้อนรับความว่าง เพราะมัวสารวลอยู่กับความวุ่นแต่เมื่อใดที่ถูกชี้ให้เห็นความวุ่นเมื่อนั้นเองที่ใจจะกลับมาต้อนรับความว่างใจเราเต็มไปด้วยความวุ่นหลากชนิดขอเพียงคิดออกมาจากความว่างเป็นจะเห็นความวุ่นหายไปทีละเปล่ะกระทั่งใจเลิกเกาะเกี่ยวแล้วกลายเป็นอันเดียวกับความว่าง ชั่วกาลนาน